ศีล ส, สำหรับประชาชนความเข้าใจพื้นฐานก่อนจะขยายความในเรื่องศีลโดยเฉพาะที่จะเน้นหลักความประพฤติในระดับของประชาชนหรือชาวบ้านทั่วไปเป็นคนย้ำหลักกว้างๆที่ควรรู้ตระหนักไว้อันจะช่วยให้ประพฤติปฏิบัติศีลในทุกระดับได้ถูกหลักตรงตามความมุ่งหมาย เป็นธรรมานุธรรมะปฏิบัติผู้ประพฤติปฏิบัติ ร, รักษาศีลนั้นตั้งแต่เริ่มแรกควรมองเห็นความหมายของศีลที่ตนรักษาปฏิบัติโล่งสว่างพร้อมทั้งตระหนักรู้ถึงความมุ่งหมายของการปฏิบัติและมองเห็นศีนที่ตนรักษานั้นในระบบการศึกษาหรือระบบการฝึกอบรมพัฒนาชีวิตว่าความงอกงามด้วยศีนนั้นสัมพันธ์กับการพัฒนาจิตใจ และความเจริญปัญญาเกื้อหนุนสมาธิและยาณทัศนะจะพาให้ปราดปัญหาปล่อทุกประสบผลที่เป็นประโยชน์สุขอย่างไรอย่างไรศีลจำเป็นสำหรับชีวิตและสังคมที่ดีงามมีความสุขอย่างไรดังที่ทราบกันว่ามัคที่เรียกเต็มว่ามัคมีองค์8ดนั้นคือรวมข้อปฏิบัติทั้งหมดในพระพุทธศาสนา และองค์แปดของมาร์กนั้นก็จัดได้เป็นสามขันคือสามหมวดได้แก่ศีลสมาธิและปัญญาในเวลาจะฝึกปฏิบัติกันจริงจังก็ฝึกก็ศึกษากันในสามอย่างคือศีลสมาธิปัญญานี่แหละโดยจัดเป็นระบบการศึกษาที่เรียกว่าไตรสิกขาแปลว่าสิกขาสามคืออธิศีลและสิกขาอธิจิตตสิกขา และอธิปัญญาศิกขาเรียกง่ายๆก็ว่าศีล ส, สมาธิปัญญาอีกนั่นแหละเป็นนั้นว่าการปฏิบัติการฝึกการหัดการพัฒนาคนการดําเนินชีวิตที่ดีงามตลอดจนปฏิปทาที่จะให้ถึงนิพพานทั้งหมดทั้งสิน้นก็อยู่ในสามหมวดแห่งศีลสมาธิปัญญาที่มาจากมรรคมีองคปดนั่นเองเมื่อจับหลักนี้ไว้ได้แล้วเมื่อพูดถึงศีล ก็บอกว่าศีลที่แท้ที่จริงที่ครบก็คือศีลที่มาจากมรตมีองค์แปดนั้นคือศีลที่เป็นองค์ของมรตและตามพุทธพจน์ที่ยกมาให้ดูก็เห็นชัดแล้วว่าองค์มรตที่เป็นหมวดศีลได้แก่สัมมาวาจาสัมมากรรมตะและสัมมาอาชีวะนี่คือศีลที่จริงที่แท้ที่ครบบริบูรณ์พุทธพจน์ขั้งต้นนั้น แสดงความหมายของสัมมาวาจาสัมมารกรรมตะและสัมมาอาชีวะแต่และอย่างแยกแยกแบ่งข้อย่อยออกไปทาให้เห็นได้ ว, ว่าสาระสำคัญของศีลคืออะไรศีลที่เป็นองค์มรรคคือศีลที่จำเป็นจริงๆสำหรับชีวิตที่ดีงามมีขอบเขตแค่ไหนเพียงไรผู้รู้แต่โบราณ น, นับข้อย่อยของศีลในองค์มรรคนี้ ที่แยกย่อยออกไปว่ามี8ดข้อแล้วตั้งชื่อเรียกไว้ว่าอาชีวะธรรมกาศีแลแปลว่าศีลมีอาชีวะเป็นที่8ดตัวศีลจริงๆแท้ๆมีเท่านี้ต่อจากนี้ก็แบ่งซอยย่อยต่อออกไปเช่นเมื่อจะจัดการฝึกการศึกษาแก่คนพวกไหนกลุ่มใดที่ควรมีสภาพความเป็นอยู่อย่างไร เพื่อความมุ่งหมายจะไปถึงไหนจะเน้นหนักด้านใดหรือแม้แต่จะเตรียมวางฐานปูพื้นในการพัฒนาคนขึ้นมาเป็นขั้นๆอย่างไรก็แยกย่อยเป็นรายละเอียดออกไปเป็นศีลพระศีลสา ม, มเณรศีลชาวบ้านเป็นต้นตลอดจนทําให้ระบบการจัดตั้งจัดการทางสังคมขึ้นมาชัดเจนเพื่อให้ได้ผลเป็นจริงอย่างแน่ใจเรียกว่าวิัยโดยมีการควบคุม ดำเนินการต่างๆปรับโทษลงโทษแก่ผู้ละเมิดเป็นต้นเมื่อได้หลักอย่างนี้แล้วเพื่อให้จับจุดที่สำคัญสาคัญได้ชัดขึ้นขอให้ดูลักษณะที่ควรสังเกตเป็นพิเศษดังนี้ข้อที่หนึ่งพุทธพจน์ ท, ที่จําแนกสีในมักนั้นทำให้เห็นได้ว่ามาักมิใช่เป็นมัก ค, คาที่มุ่งสำหรับภิกษุสงฆ์เท่านั้น มิฉะนั้นแล้วคำจำกัดความของศีลก็จะต้องหมายถึงศีล227รหรือพิกขุศีลหรือบรรพชิตศีลหรืออะไรทํานองนั้นและทำให้เห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าทรงสแสดงสาระกของศีลในแบบที่ยืดหยุ่นกินความกว้างคลุมศีลเปลี่ยย่อยที่แยกกระจายออกไปได้ต่างๆมากมายหลายแบบทาให้ไม่จาเป็นต้องทรงแจงระบุชื่อหมวดศีลเปลีกย่อยเหล่านั้น เช่นไม่ต้องระบุศีลห้าศีลแปดศีลสิบเข้าไว้ด้วยเป็นต้นข้อที่สองควรย้ำไว้ก่อนเพราะมักลืมกันบ่อยๆว่าศีลไม่ใช่หมายเพียงความประพฤติดีงามสุจริตทางกายและวาจาเท่านั้นแต่หมายถึงอาชีวะสุจริตด้วยเรื่องการหาเลี้ยงชีพมีความสำคัญด้านศีล น, นี้จะต้องเน้นกันไว้ ข้อที่สามขอทวนความที่เคยพูดข้างต้นว่าในการจําแนกข้อของสีนั้นตามปกติท่านระบุไว้เพียงหัวข้อว่าเว้นปานาติบาตเว้นอาทินนาทานเป็นต้นแต่เมื่อดูแต่หัวข้อก็เห็นเพียงด้านลบหรือด้านปฏิเสธอย่างเดียวถ้าจะดูให้ชัดให้ครบก็ควรดูที่พุทธพจน์ขยายความหมายเช่นในกุศ ล, ลกรรมบทสิบจะเห็นชัดว่า ศีลแทบทุกข้อแสดงความหมายแยกเป็นสองตอนมีทั้งให้เว้นและให้ทำลบตามด้วยบวกคือตอนต้นกล่าวถึงการเว้นไม่ทำความชั่วเช่นละปานาติบาตตอนหลังกล่าวถึงการทำความดีที่ตรงข้ามกับความชั่วที่งดเว้นนั้นเช่นว่าเกื้อกูลสรรพสัตว์ ข้อที่สในมัคนี้องค์มัคมีทั้งด้านศีลด้านจิตหรือสมาธิและด้านปัญญาจึงต้องมารวมกันครบจึงจะเป็นมัคและจึงจะสำเร็จเป็นผลแม้ว่าขณะ น, นี้เรากำลังพูดถึงศีลหรือจะปฏิบัติศีลก็ต้องตรหนักว่ามีเราอยู่ในส่วนนี้ของมัคเมื่อเดินหน้าไปจะต้องให้ประสานขานรับกับอีกสองส่วนนั้นด้วย จึงจะได้ผลจริงความเป็นจริงและความสำเร็จผลต่อเมื่อมีความครบพร้อมขององค์ประกอบอย่างนี้เรียกอย่างภาษาพระว่าเป็นระบบธรรมสามัคคีหรือที่เวลานี้เรียกว่าองค์รวมแม้แต่ในขั้นสูงสุดการตรัสรู้ก็เกิดขึ้นเมื่อมีธรรมสามัคคีเมื่อมองดูที่มรร ซึ่งมีองค์มรทุกข้ออยู่ครบก็มองเห็นธรรมะสามัคคีหรือองค์รวมพร้อมทั้งเห็นองค์ร่วมทั้งหมดพร้อมไปด้วยกันก็ง่ายที่จะไม่ลืมระบบถึงแม้ขณะนี้อยู่ที่ศีลก็ไม่ลืมองค์ร่วมอื่นแม้ในชุดกุศลกรรมบทซึ่งพูดได้ว่าเป็นการขยายมรติออกไปโดยจัดองค์มรติทานองประยุกเข้าให้เหมาะในระดับสำหรับคนทั่วไป หรือสำหรับบรรดามนุษยชนดังที่เคยบอกแล้วว่าท่านถือว่ากุศ ล, ลกรรมบท1ิบนี้เป็นมนุษยธรรมก็เห็นได้ไม่ยากว่าศีลในกรรมบทนั้นมากับจิตใจหรือสมาธิและปัญญาด้วยคือมีองค์มรรคมาครบทั้งสด้าน7ข้อแรกเป็นศีลข้อ8ถึงเเป็นจิตหรือสมาธิข้อที่10เป็นปัญญา แถมว่าศีลในกุศลละกรรมบทยังขยายออกไปให้เห็นครบทั้งท่อนลบและท่อนบวกแต่พอมาดูศีลห้าที่ว่าเป็นศีลอย่างตามที่สุดคือคนทุกคนอย่างน้อยควรมีศีลห้าปรากฏว่าชุดเบญจศีล น, นี้มีแค่ศีลเท่านั้นไม่มีองค์มากด้านจิตและปัญญาเลยแสดงว่าไม่พอที่จะเจริญงอกงามพัฒนาก้าวไป ในวิธีของพระพุทธศาสนานี่หละจึงว่าย อ, อย่างต่ำคือยังทำอะไรไม่ได้ก็ให้เว้นชั่วร้ายให้พออยู่กันได้ไม่เบียดเบียนกันนักอย่างไรก็ตามที่จริงนั้นท่านไม่ได้ปล่อยทิ้งศีลห้าออกไปจากระบบองค์รวมหรือธรรมะสามาัคคีแต่ท่านใช้วิธีจัดระบบใหม่เปลี่ยนไปอีกแบบหนึง่ง คือเมื่อมีเหตุที่จะต้องยอมให้แยกศีลออกไปเป็นชุดต่างหากอย่างนั้นแล้วท่านก็นําองค์มากด้านจิตและด้านปัญญาไปจัดเป็นชุดอื่นเตรียมไว้ต่างหากไม่มาอยู่ในชุดเดียวกันอย่างในกุศลกรรมบทและท่านก็แนะนําสอนให้คนที่เริ่มปฏิบัติชุดศีลห้านั้นก้าวต่อไปให้เป็นอุบาสกอุบาสิกาเป็นอริยาสาวกอริยาสาวิกา แล้วว่านอกจากชุดศีลห้านั้นแล้วก็ให้ปฏิบัติชุดน้นๆ น, นซึ่งเป็นด้านจิตและปัญญาให้ครบด้วยชุดด้านจิตและด้านปัญญาที่จะมารวมกับชุดศีล น, นั้นพระพุทธเจ้าทรงวางไว้เป็นมาตรฐานทีเดียวเจาะจงสำหรับเข้าหริหัดหรือชาวบ้านตามปกติมีสี่ชุดบางทีมีชุดแถมเตรียมไว้ให้อีกหนึ่งชุดรวมเป็นห้าชุด ในหนังสือนี้เคยกล่าวไว้ในที่อื่นแล้วแต่ในพระตาปิดกท่านแสดงไว้บ่อยมากดังนั้นถึงแม้ที่นี่จะกล่าวซ้ำก็สมควรแต่ก็จะไม่แสดงรายละเอียดเต็มตามบาลีเพียงคัดมาพอเห็นรูปเขาหลังจากตรัสถึงการจัดการเพื่อชัยชนะโลกนี้คือการดูแลจัดการบ้านเรือนผู้คนทรัพย์สินเงินทอง ที่เป็นเรื่องของทิฏฐารรมิกัรแล้วก็ตรัสถึงการจัดการเพื่อชัยชนะต่อโลกหน้าคือด้านสัมปรายิกัดต่อไปดังนี้ดูก่อนวิสาขามาตุคามคือสตรีประกอบด้วยธรรมะสี่ประการชื่อว่าปฏิบัติเพื่อชนะโลกหน้าชื่อว่าจัดโลกหน้าไว้แล้วธรรมะสี่ประการเป็นชนไหน ประการที่หนึ่งสตรีถึงพร้อมด้วยศรัทธาอย่างไรสตรีเป็นผู้มีศรัทธาเชื่อในตถาคตโพธิศรัทธาคือเชื่อปัญญาตรัสรู้ของตถาคตว่าแม้เพราะเหตุนี้เหตุนี้พระผู้มีพระภาคนั้นเป็นพระอระหันต์ประการที่สองสตรีถึงพร้อมด้วยศีลเป็นอย่างไรสตรีเป็นผู้งดเว้นจากปานาติบาต จากอธทินนาทานจากกาเมสุมิชาจารจากมุสาวาทและจากสุราเมรยัยและของเมาอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทประการที่สมสตรีถึงพร้อมด้วยจาคะเป็นอย่างไรสตรีอยู่ครองเรือนโดยมีใจปราศจากงนทินคือความตรนีมีน้ำใจเผื่อแผ่เสียสละเต็มที่ มีมือที่แบคือพร้อมที่จะให้ยินดีในการสละควรแก่การขอยินดีในการเจือจานแบ่งปันประการที่ 4. สี่สตรีถึงพร้อมด้วยปัญญาอย่างไรสตรีเป็นผู้มีปัญญาคือประกอบด้วยอริยปัญญาที่ยังถึงอุทัยและอัสดงชำรากเรื่องได้ ให้ถึงความสิ้นทุก์โดยถูกต้องอีกชุดหนึ่งซึ่งก็ควรมีแต่ไม่จำเป็นเท่าสี่อย่างนั้นได้แก่สุตตะคือความรู้จากการเล่าเรียนเขียนอ่านสดับฟังหรือจำพวกข้อมูลข่าวสารถ้าเป็นพระหูสูตรก็ยิ่งดีการที่ยกเรื่องนี้ขึ้นมากล่าว ก็เพราะชาพพูดจำนวนมากพูดกันอยู่และหยุดกันอยู่แค่ศีลแม้จะนึกถึงพูดถึงหลักธรรมอื่นบ้างก็สับสนไม่เป็นระบบทั้งที่ท่านจัดเตรียมไว้ให้แล้วที่จะให้คนที่อยู่ในการพัฒนาทุกระดับมีศีลจิตหรือสมาธิปัญญาครบจึงควรพูดอย่างน้อยกับตนเองให้มั่นใจว่าพระพุทธเจ้าทรงย้ำให้ข้ารืหัหรือชาวบ้านมีศรัทธา สี่ห้าบวกสุตตะจาคะและปัญญาแล้วจากความพร้อมของธรรมะสามัคคีระดับนี้อริยมารคาก็เหมือนเปิดกว้างรับให้ก้าวหน้าพัฒนายังดีต่อไป ลักษณะที่ควรสังเกตเป็นพิเศษข้อที่หาคำว่าศีลมีความหมายและขอบเขตกว้างมากและมีการใช้ทั้งแบบเกรงครัดและอย่างหลุมหลวมยิงมานำมาใช้ในภาษาไทยก็มีการเพี้ยนและคลุมเครือมากขึ้นโดยเฉพาะมักจะสับสนกันบ่อยกับคำว่าวินยัยซึ่งบางทีก็ใช้ปนปนกันไปบางทีก็เหมือนใช้แทนกันได้ เวลานี้แม้จะต้องยอมตามความนิยมแต่ก็ควรจะใช้อย่างรู้เท่าทันและอย่างน้อยสามารถแยกความหมายได้ในขั้นพื้นฐานในที่นี้จะแสดงความหมายในแง่ที่เหมือนว่าวินัยเป็นส่วนหนึ่งของศีลเมื่อตกลงพูดในแง่นี้ก็บอกว่าเบื้องแรกมีธรรมะซึ่งประกอบด้วยศีลสมาธิและปัญญา แล้วในสามอย่างนี้สมาธิและปัญญาเป็นธรรมะอย่างเดียวส่วนศีล น, นอกจากเป็นธรรมะแล้วยังมีส่วนที่เป็นวินัยด้วยดังนั้นจึงแบ่งศีลด้เป็นสองระดับคือระดับที่หนึ่งศีลในระดับที่เป็นธรรมคือธรรมะขั้นศีลได้แก่หลักความประพฤติทางกายวาจาและอาชีวะ ที่แนะนำสั่งสอนกันโดยถือเอาภาวะที่ควรจะมีควรจะเป็นตามธรรมชาติเป็นหลักและผู้ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนย่อมได้รับผลดีหรือชั่วโดยรับผิดชอบต่อกฎธรรมดาของธรรมชาติเองโดยตรงรวมทั้งการปฏิบัติศีลและการรักษาวินยัยที่ได้กลายเป็นความประพฤติประจำตัวหรือเป็นคุณสมบัติของบุคคล ระดับที่2ศีลในระดับที่เป็นวินัยคือวินัยเป็นศีลได้แก่กฎระเบียบข้อบังคับตลอดจนระบบกิจการที่จัดตั้งวางตราขึ้นเป็นบัญญัติทางสังคมเพื่อกำหนดและกำกับความประพฤติของบุคคลให้เป็นไปตามความมุ่งหมายจำเพาะของหมู่ชนหรือชุมชนนั้น โดยมีระบบการจัดการบังคับควบคุมให้ได้ผลเป็นจริงตามที่กำหนดไว้รวมทั้งมีการลงโทษผู้ละเมิดฝ่าฝืนซึ่งเป็นต่างหากจากการได้รับผลทางจิตใจตามกฎธรรมชาติถ้าพูดอย่างเรงครงรัดวินัยยังไม่เป็นศีลแต่วินัยคือส่วนที่พ่วงอยู่กับศีลหรือห้อยไว้กับศีลเป็นระบบวิธีจัดการทางสังคม ที่จะฝึกคนให้มีศีลหรือพูดให้สั้นว่าวินัยก็คือวิธีจัดการฝึกคนให้มีศีลนั่นเองส่วนศีล น, นั้นอาศัยวินัยแต่ไม่ใช่วินัยเพราะศีลเป็นส่วนหนึ่งของธรรมะวิธีแยกคือธรรมหรือธรรมะเป็นเรื่องของธรรมชาติวินัยเป็นเรื่องของสังคม หรือเกิดจากฝีมือของมนุษย์เมื่อแยกแยกความหมายให้เข้าใจดีเป็นฐานไว้แล้วก็สามารถพูดถึงศีลในความหมายแบบหลวมๆสบายๆเป็นขั้นๆแง่ๆได้ต่างๆเช่นว่าศีลเป็นเครื่องมือควบคุมความประพฤติทำให้กายวาจาเรียบร้อยงดงามอยู่ในระเบียบศีล เป็นความประพฤติที่ดีงามเกื้อกูลของบุคคลในการสัมพันธ์กับผู้อื่นและต่อสิ่งแวดล้อมอันทำให้เกิดผลดีแก่ชีวิตของตัวเขาเองและแก่คนอื่นทั้งหลายตลอดทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อมศีลเป็นข้อปฏิบัติสำหรับกำจัดกิเลสขั้นหยาบที่แสดงออกทางกายวาจาขัดเกลาาคนให้ประณีตขึ้น ศีลเป็นข้อปฏิบัติสําหรับฝึกอบรมกายวาจาและอาชีวะให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะเป็นพื้นฐานของการพัฒนานในระดับสมาธิเพื่อเสริมสร้างคุณภาพจิตและช่วยให้จิตมีสมรรถภาพที่จะใช้อย่างได้ผลศีลเป็นสภาพปกติทางกายวาจาและอาชีวะของผู้ที่มีชีวิตดีงามหรือคนที่ได้รับการฝึกอบรมดี มีการศึกษาแท้จริงบรรลุภูมิธรรมอันสูงแล้วลักษณะที่ควรสังเกตเป็นพิเศษข้อที่6สาระของศีลอยู่ที่เจตนาได้แก่การไม่ตั้งใจไม่คิดล่วงละเมิด คำว่าละเมิดแง่หนึ่งคือละเมิดระเบียบละเมิดกฎเกณฑ์บทบัญญัติละเมิดวินัยที่วางกันไว้อีกแง่หนึ่งคือละเมิดต่อผู้อื่นหมายถึงเจตนาที่จะเบียดเบียนผู้อื่นนั่นเองศีลจึงหมายถึงการไม่เจตนาละเมิดระเบียบวินยัยหรือการไม่เจตนาล่วงเกินเบียดเบียนผู้อื่นถ้ามองแต่อาการหรือการกระทำ ศีลก็คือความไม่ละเมิดและการไม่เบียดเบียนมองอีกด้านหนึ่งศีลอยู่ที่ความสำรวมกล่าวคือการสำรวมระวังคอยปิดกั้นหลีกเว้นไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้นนั่นเองเป็นศีลและถ้ามองลึกที่สุดสภาพจิตของผู้ไม่คิดจะละเมิดไม่คิดจะเบียดเบียนใครนั่นแหละคือตัวศีล ซึ่งในกุตกานิกายปาติกวัก ร, ระบุไว้ว่าศีลได้แก่เจตนาได้แก่เจตสิกได้แก่สังวรได้แก่อวิติกะมะวิติกะมะคือการละเมิดพระพุทธบัญญัติการทำผิดวินัย